สำหรับคนทั่วไปการออกพรรษาได้ผ่านไปแล้วนะเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าสำหรับพระนี่ออกพรรษาจริงๆก็คือเมื่อรับกถินแล้วนะเพราะว่าพอพอรับกทินแล้วนะถึงจะเริ่มออกจาริกออกเท่าๆกัน ถ้ายังไม่รับกระถินส่วนใหญ่ก็ยังไม่ไปไหนยิ่งถ้าเป็นพระใหม่ด้วยแล้วนะก็จะรอศึกก็หลังจากที่รับกระถิ่นแล้วยงถ้ายังไม่รับกระถิ่นก็ยังไม่ศึกหาราเพศอย่างวันนี้เนี่ยนะที่ปัดป่าสุกโต ก็มีพระหลายรูปนะที่จะศึกหลังจากที่รับกฐินแล้วอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นออกภาษาจริงๆนะสำหรับพระหลายวัดก็เป็นเช่นนั้นเรียกว่าพอรับกฐินแล้วก็เหมือนกับพึ่งแตกหลังก็ได้นะบางท่านก็ ยังอยู่ต่อนะแต่ว่าจานวนไม่น้อยก็เดินทางและอีกหลายลูกก็จะศึกสำหรับผู้ที่จะศึกเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นการกลับคืนสูส่สภาพเดิมสภาพเดิมนี่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสถานภาพหรือว่าเพศเดิมคือเพศครุหัด แต่ว่ายังหมายถึงการกลับไปสู่โลกที่คุณเคยกลับไปสู่บ้านซึ่งจะว่าไปก็เป็นคนละโลกนะกับวัดป่าสุกโตก็ว่าได้โลกของคาวานะกับโลกของพระ มันแตกต่างกันมากโดยเฉพาะวัดป่านะอย่างวัดป่าสุโกโตหลายคนพอสึกไปแล้วแค่เดินทางนะเข้ากรุงเทพก็จะรู้สึกว่ามันแตกต่างอย่างมากรู้สึกแปลกแยก กับสภาพที่เต็มไปด้วยความแออัดวุ่นวายอึกระทึกโลงค า, ารวานี่เมื่อเปรียบกับโลกของพราป่านี่มันก็ต่างกันมากทีเดียวศึกออกไปแล้วไปเจอโลกภายนอก ก็ไม่ต่างจากการอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วออกไปเจอแดดที่ร้อนเปรียนะ่ยนถ้าออกแบบถ้าออกไปเจอแดดที่ร้อนเปรียปร่ยงนั่นแบบลดเร็วทันทีนะก็อาจจะเจ็บป่วยได้ปกติเขาก็จะให้ คนที่จะออกจากห้องแอร์เย็นๆไปเจออากาศที่ร้อนนี่ก็จะนั่งพักในร่มเนาสักหน่อยนั่งพักใต้ใชายคาสักหน่อยออกจากห้องแอร์ไปแล้วก็ยังไม่รีบผุนผันไปเจอแดดรอนน้อนทันทีก็ต้องอยู่ในอยู่ใต้ใชายคาสักพักพอปรับตัวได้กับความร้อนเผาจากภายนอกแล้วถึงค่อยออกไปเจอแดด เพราะฉะนั้นตามธรรมเนียมเนี่ยเมื่อพราศึกไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่รีบออกไปสู่ชีวิตทางโลกทันทีอาจจะนิยมให้ให้อยู่สักสองสวันก่อนอยู่วัดสัก2องสมวันเพื่อจะค่อยๆปรับตัวในเพศใหม่ในชีวิตใหม่แล้วถึงค่อยออกไปเผชิญโลกถึงค่อยกลับบ้าน น, นี่ก็เป็นธรรมเนียมที่มีกันมานานนะก็เหมือนกับเวลาจะบวชนะก็ที่นี่เราก็ไม่แนะนําให้มาบวชเลยก็ต้องมาอยู่สักอยู่เป็นคารวาสนะสักสองสมวันเป็นอย่างน้อยแล้วค่อยบวชนะมันจะได้ค่อยๆกลืนเข้าไปไม่เปลี่ยนสภาพ <c oughs> ไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตทันทีซึ่งทําให้มีปัญหามันมีปัญหาเหมือนกันในเวลา พอที่ศึกไปแล้วก็รีบกลับบ้านเลยจะเกิดอาการที่เราสําลักเสรีภาพนะสำลักเสรีภาพเพราะว่าพอศึกไปแล้วนี่โอ้ยกลับไปบ้านนี่ทำอะไรก็ได้ดูหนังฟังเพลงกินเหล้าก็ได้แล้วก็มักจะหนีไม่พ้นในประการหลังเนี่ยนะพอศึกไปเพื่อนก็ชวนไปกินเหล้าพอกินเหล้าเกิดเรื่องใช่เพราะว่าบางคน อดกันไม่นานสามเดือนพอเพื่อนชวนไปกินเหล้าก็เต็มที่เลยเมาพอเมาแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรตามมาอีกมากมายเช่นทะเลาะกันไปตีกันกันกบคนที่เป็นวัยรุ่นด้วยกันก็เคยมีนะที่ สจากวันนี้ไปแล้วก็ปรากฏ ว, ว่าไม่กี่วันต่อมาก็กลับมาในสภาพที่เป็นศพเพราะว่าไปเมาแล้วไปตีกันกับคู่อริไอตอนไม่เมาก็ไม่ไม่เป็นคู่อรินะแต่พอเมาแล้วอะไรแล้วก็เป็นคู่อริได้ง่ายถูกตีตายตอนนี้เพิ่งสืบไปไม่กี่วันหรือบางคนก็ เมาลขับรถชนรถตกคูตายพวกนี้เรียกว่าเป็นเพราะสำลักเสริภาพเหมือนกับน้ำเหมือนกับปลาเนี่ยมันเจอน้ำใหม่ทีว่าก็ทําให้ถ้าเจอรวดเร็วทันทีก็สำลักลอยคอเพราะนั้นก็ยึงมีธรรมเนียมนะให้ให้พระเนี่ยเมื่อศึกแล้วก็ต้องอยู่วัดสักหน่อย ก็ค่อยปรับตัวก็ ค, ค่อยเรียนรู้ชีวิตของคาราวาสและพอกลับบ้านอาจจะได้ไม่ไม่เสียผู้เสียคนหรือว่าไม่เงียนเป็นไปง่ายๆที่ยังไม่ใช่พระนักคาราวาสก็เหมือนกันนะมีคาราวาสบางคนก็ถือศีล น, นะถือศีลห้าไม่กินเหล้าเลยแต่ก็อดกลั้นเอาไว้ อพอออกรรษาปุ๊บนี่ก็ฉลองกันเต็มที่เลยฉลองจนเมากลับไปบ้านก็ทะเลาะ ก, กับเมียทำร้ายเมียเอาหัวเมียนี่โคกกระโตะ๊เมียก็ปวดเมียก็ร้องขออย่าทำอย่าทำก็ยังไม่หยอนยังทำอีกเมียนี่สู้ไม่ไหวเห็นเอินเห็น เห็นคราดนะเห็นคราดอยู่ใกล้ๆก็เอามือเนี่ยคว้าคราดแล้วก็เอาครานิฟาดใส่อกของผัวปักเลยตายผัวตายในวันออกพรรษาเนี่ยหรือรางวันออกพรรษาหนึ่งวันนี่เลยว่าออกจากออกจากวัดก็กลับมาทีก็อยู่ในโรงเลยอันนี้เพราะสำลักเสรีภาพเหมือนกัน อันก็ต้องระวังนะเวลาสึกออกไปแล้วต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีเห็นเสรีภาพมากๆนี่ก็อย่าไปไปทำอะไรตามใจมันจะกลายเป็นการสำรักเสรีภาพแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตั้งใจ อันนี้มาศึกไปแล้วนี่ก็ต้องอตระหนักว่าเราได้ใช้เวลาสาเดือนในการประพฤติปฏิบัติธรรม่าให้เวลาสามเดือนที่ผ่านไปมันศูนย์เปล่าเมื่อออกไปแล้วเนี่ยต้องเป็นคนใหม่ใหม่กว่าเดิม ถ้าออกไปแล้วสึกไปแล้วนี่เหมือนเดิมนะแสดงว่าสามเดือนที่ผ่านไปนี่มันศูนย์เปล่าอาจจะเรียกว่าขาดทุนก็ได้เพราะว่างานการก็ไม่ก้าวหน้าแลวยังแถมยังเป็นสร้างภาระให้กับเพื่อนหรือว่าพ่อแม่ที่เขาจจต้องรับภาระแทนเรา พอคนเรานี้กลับไปเมื่อศึกไปแล้วน่นต้องเป็นคนใหม่ใหม่กว่าเดิมไม่ว่าใจในแง่ของทานไม่ว่าในแง่ของศีลหรือภาวนาอย่างน้อยก็ยต้องมีชีวิตที่สงบเย็นกว่าแต่ก่อนมีอะไรมากระทบก็ไม่กระเพื่อ ง, ง่ายๆอันที่พูดนี้ก็รวไมไปถึงนักปฏิบัติธรรมที่เป็นคารวะ หรือแม่ชีด้วยอโลภายน้อยนี่มันเหมือนกับที่โลง่งมันไม่มีต้นไม้ที่จะให้ความร่มเย็นเหมือนที่นี่ชีวิตของคารวาเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งบีบคั้นเสียดแทงมากมีภาระต้องทำ แล้วก็มีสิ่งกระทบมากมายถึงแม้ว่าโลกภายนอกมันจะมีเดี๋ยวนี้ก็มีห้องแอรนะ์ห้องแอร์นี่อยู่ทุกคนทุกแห่งในบ้านในรถแล้วก็ตามศูนย์การค้าเข้าร้านเดี๋ยวนี้ก็ติดแอร์กันแล้วแต่นั่นมันเป็นการความเย็นทางกายแต่ว่าใจนี่อาจจะรุ่มร้อน เพราะว่าชีวิตที่ต้องแข่งขันชีวิตที่เต็มไปด้วยการบีดคั้นดิ้นรนก็เปรียบเหมือนกับที่โลง่โลงกว้างๆแดดร้อนฝนตกถ้าไม่มีร่มแดดร้อนก็เผากายฝนตกก็เปียกปอน เมื่อเราไปที่โลกเนี่ยเราต้องมีร่มถ้เาเมื่อเราไปในที่โลกเนี่ยต้องมีร่มเพื่อไม่ให้แดดมาเผากายไม่ให้ฝนมาทำให้เปียกปอนอยู่ในป่านี่ไม่มีร่มก็ได้อาศัยร่มไม้อันนี้เป็นอุปมาอุปไม้นะว่าอยู่ในวัดเนี่ยมันก็มี วิธีชีวิตที่คอยป้องกันไม่ให้สิ่งรอบเร า, รายาวยุ่เนี่ยมากระทบใจให้เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นรูปลดกินเสียงนะไม่ว่าจะเป็นวิธีชีวิตที่ไม่ค่อยไม่เป็นต้องไปไดิ้นรนแข่งขันหรือรี บ, ร บ, รบเร่งอะไรแต่ว่า โรคคาราว่านี้หรือโลกภายนอกมันอีกแบบหนึ่งนันเต้องมีนะเมื่อเราไปที่โล่งกว้างเนี่ยเราต้องมีร่มเพื่อไม่ให้แดดเผาไม่ให้ฝนทำให้เปียกปอนร่มในที่นี้เนี่ยหมายถึงร่มในใจร่มในใจ ก็คือธรรมะนั่นแหละธรรมะนี่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับชีวิตจิตใจของเราได้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะร่มที่เราถือไว้กันแดดกันฝนทั่วไปเท่านั้นอันนั้นมันเป็นร่มที่กายเราต้องมีร่มในใจด้วย เพื่อไม่ให้ผัสสะต่างๆมันมาทำให้ใจกระเพื่อมได้เวลาได้ยินคำต่อว่าคำตำหนิเวลาเจอเพื่อ่วมงานที่เอาเปรียบหรืออาจจะเจ อ, อเจ้านายที่ไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งเจอคู่ครองที่ พูจาไม่ดีกับเราไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายในวิถีชีวิตของคารวะที่จริงในว่าก็ไม่ได้ปลอดพ้นทีเดียวแต่ว่ามันมีน้อยกว่าทันนี้เมื่อเจอแล้วเนี่ยทำไงใจเราจะไม่ทุกข์น่าเชื่อว่าหลายคนที่มาวัด น, นี่ก็เพราะว่ามีความทุกข์นะจากโลกภายนอกจากภาษาที่มากระทบนะจากเหตุร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตอันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ยังเป็นว่าไม่ต้องทาให้ให้ใจเราทุกข์เสมอไปนะอย่างที่พูดเมื่อวานได้ยินคำตำหนิคำต่อว่านะมันก็เป็นแค่ผั ส, สาแต่เราสามารถเลือกที่จะไม่ทุกข์ก็ได้เจ็บป่วยนะป่วยแต่กายนะใจไม่ทุกข์ก็ได้ ของหายก็หายแต่ของนะแต่ใจไม่หายสุขภาพจิตไม่เสียก็ได้อันนี้เพราะว่าเรามีธรรมะนะเป็นเครื่องรักษาในการที่คนเราจะมีจิตใจที่ผาสุขสงบเย็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาไม่ได้แปลว่าจะไม่มีสิ่งแย่ๆนะเกิด ข, ขึ้นกับเรา ไม่ใช่ม่เขาวต้องมีคนพูดดีๆกับเราตลอดเวลาทำตามคำสั่งหรือทำตามใจเราทุกอย่างไม่ใช่แม้มันจะเป็นตรงข้ามแต่ว่าใจเราไม่ได้ทุกข์ด้วยเลยอันนี้ก็เปรียบกับว่าเราอยู่ในที่ร้อนที่โล่งนะแดดร้อนฝนกระหน่ำนะแต่ว่าไม่เปียกไม่ร้อนไปด้วย อันนี้เพราะเรามีภูมิคุ้มกันเหมือนกับมี่มที่คอยรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ี่ถ้าเรามี่มแบบนี้คือมีธรรมะรักษาใจแล้วแม้เราจะเจออากาศร้อนเราจะเจอฝนตกอากาศที่หนาวหรือเจอเหตุร้ายต่างๆใจเราก็เป็นปกติได้ที่นี่ทุกปี เ, เราจะมี กิจกรรมเป็นงานใหญ่ก็คือธรรมยาตราทรมาปีนี้เป็นปีที่14แล้วหลวงพ่อทรายเริ่ ม, มตั้งแต่ปีส3ธรรมยาตราคือการเดินจาลิกไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะพักตามวัดเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนได้ตื่นตัวเกิดสำนึกด้านสิ่งวัดล้อมก็ไม่ได้ไปไกลไหน ไกลมากก็ตนหลังเขานี่แหละจากนี่ไปชัยภูมิจากชัยภูมิไปถึงภูหลงหรืออย่างปีนี้ก็จากําำมะไฟหวานลงแก้งคลอแล้วไปสุดที่วัดตาภูทองใกล้ๆภูหลงเจ็ดคืนแปดวันนอกจากเพื่อเชิญชวนให้คนตื่นตัวต้านสิง่งแวดล้อมแล้วก็ถือเป็นโอกาส ได้ปฏิบัติธรรมด้วยได้ปฏิบัติธรรมกับการเจริญสติสติจําเป็นมากสาหรับการเดินธรรมยาตราเพราะว่ามันเป็นการออกไปเจอแดดเจอฝนเจอหนาวเจอความวิบากในการเจริญสติในวัดหรือว่าในกุฏิเนี่ยมันก็อย่างหนึ่ง แต่ว่าการเจอสติในที่ที่เต็ไมไปด้วยผู้คนแล้วก็โดยละแต่เจอสิ่งที่ไม่อาจจะควบคุมเช่นแดดเช่นฝนเช่นความหนาวต้องเจอความยากลาบากเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย้เวลาเราใจสงบได้เพราะว่าอยู่ในป่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่แต่เวลาเราจะรักษาใจให้สงบได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อน แม้รอบตัวนี่มันจะมีแดดร้อนอันนี้เป็นเรื่องยากกว่าทำยังไงถึงจะรักษาใจให้สงบให้เป็นปกติได้แม้เจอแดดร้อนอากาศหนาวแม้ผู้คนรอบตัวจะส่งเสียงดังอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายการเดินการเดินธรรมญาตามก็มี สติคำขวัญนะว่ากายกกายร้อนใจไม่ร้อนร้อนแต่กายนะใจสงบเย็นมันจะทําได้อย่างไรเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ที่เราจัดให้มีธรรมญาตราส่วนหนึก็เพื่อจะได้ได้เรียรู้ว่าเออเราจะรักษาใจของเราให้สงบเย็นเบิกบานได้อย่างไรในเมื่อสิ่งรอบตัวไม่เป็นใจ แดดร้อนใจไม่ร้อนนี่ทำได้ไหมใหม่ๆก็ทำไม่ได้นะแต่ว่าพอเดินไปเดินไปได้หลายวันก็เริ่มทำทำใจได้ไม่ใช่อาศัยความอดทนอย่างเดียวนะแต่ว่าอาศัยการฝึกจิตยอย่างอื่นด้วยเช่นการทำสมาธิการเจริญสติสตินี่มันจะเหมือนกับเป็นร่มที่คอยรักษาใจไม่ให้ร้อนทั้งทั้งที่ถูกแดดแพดเผา รักษาใจไม่ให้ทุกทั้งทั้งที่เหยียบกรวดเหยียบหินมันเจ็บแต่กายนะแต่ว่าใจเนี่ยเป็นปกติและหลายคนก็ได้พบความอัศจรรย์นะของใจตัวเองว่าเออมันทำได้นะใจสงบได้ ท, ทั้งทั้งที่แดดร้อนทั้งทั้งที่ทหินแหลม กรวดแทงเท้าเมื่อ2ปีก่อนมีเด็กคนหนึ่งอานะยุสิบมาเดินธรรมยตาตั้งแต่อายุขวบ10 11ขวบเดินมา3 4ปี45่หปีแกลาว่าวันหนึ่งก็มีผู้ใหญ่ก็ถามเนี่ยเธอไปเดินธรรมยตามาหลายปีเนี่ยเดินทำไมเธอก็ไม่รู้จะตอบอยังไงก็ตอบอย่างที่ น, นึกเอาหรือทึ่เคยได้ฟังมาคือเดินเพื่อฝึกสมาธิผู้อยากก็ถามว่างั้นฝึกสมาธินี่มันก็ทาที่วัดก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ทำไมต้องออกไปเดินทำให้ัตาเธอก็ตอบไม่ได้ก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจว่าเดินทําห้อตาไปทำไมเดินเพื่อฝึกความอมดทนเดินเพื่อหาเพื่อหรือเปล่า มันก็ได้เหมือนกันแต่เธอเคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่า น, นั้นเพราะครูบาอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของการฝึกจิตอยู่เสมอแล้วก็เมื่อ2ปีก่อนเธอก็ามาเดินเป็นครั้งที่4แล้วมั้งวันท้ายๆนี่ปรากว่าเข้าไปในป่าแล้วก็หลงป่ากันใหญ่กว่าจองอมาก็ทุลักทุเลออกมาเสร็จก็เห็นทาง เข้าหมู่บ้านนี้มันเป็นทางลูกรังแล้วก็มีเทปูนอยู่บ้างนะแต่ว่าเทปูนแบบบางๆมันก็มีหินแหลมๆโผล่ขึ้นมายาวเป็นกิโลเลยตอนนั้นเธอเนี่ยังไงไม่รู้นะก็อยากจะถอดรองเท้าเดินธรรมชาตินี้ก็มีคนตัดถอดรองเท้าอยู่กันไม่น้อยนะ เธอก็อยากจะลองถอดรองเท้าดูบ้างในวันท้ายทายที่ถอดรองเท้าเพราะว่าได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเพ อ, อาตมาเคยเล่าให้เขาฟังเล่าให้คนเดินธรรมยัตตาฟังว่าเคยพาคนไปเดินจงกรมประมาณชั่วโมงนึ่ง45นาทีแล้วก็บอกให้คนถอดรองเท้าทางจงกรมก็มีกรวดมีหินไม่ใช่เป็นทางปูน ยิ่งกว่านั้นมันมีมันมีหลังมดด้วยฝนตกมานี่มดมันก็เดินเพ่นพลานเพียงคนหนึ่งก็เดินเจอมดมดก็กัดกัดก็ปวดมากเลยบางทีมือมากก็อยู่ไม่สุกเลยต้องปัดต้องกระทืบเท้าเพื่อให้หมดนี่มันอหลุดมาจากขาอาตอมา ก, ก็เลยย้ำให้เขาลองดูว่าไหนทำลองดู มันกัดนะแต่ว่าใจมันเป็นยังไงให้ลองสังเกตดูใจของตัวจริงๆใจเรามันทนได้นะแต่ว่าเป็นเพราะใจเราคิดว่าทนไม่ได้เราก็เลยนะเดินด้วยความทุกวันลุกขึ้นก็เขาก็เลยลองเดินใหม่เดินจงกลมเทตมาพาเดินนี่บางทีก็หยุดนะบอกว่าเขาไปหยุดตรงลังมดพอดีเลย มดมันก็กลูขึ้นมาเขาก็บอกว่าเออเดินบนรลังได้เหยียบหลังมดก็ดีเหมือนกันนะจะได้ดูพอมดมันตายขึ้นมาตามขาเนี่ยตามร่มผ้าเนี่ยความกลัวมันเกิดขึ้นเลยนะมดจะไม่ทันกัดแล้วก็ความกลัวเกิดขึ้นเขาก็ดูความกลัวพอเห็นความกลัวปุ๊บความกลัวก็ดับ นี่พอมดมันขึ้นมามันก็เริ่มกัดแล้วเขาก็เห็นความปวดเห็นความเจ็บเห็นความแสคือเห็นเวทนาเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นจุดๆมันก็โดนทูดจี้บางบางทีก็เป็นลอลอกคลื่นบ้างเขาก็ดูเวทนานะเจ้าพักก็มาดูกายปรากฏว่ากายหัวใจเต้นเร็วกล้ามเนื้อเกรง็งเม้มปากกัดฟัน พอมาดูที่กายปุ๊บเนี่ยใจยมันก็เริ่มที่มันกระสับกระสานก็สงบเลยบอกกว่าเ้าเห็นเลยนะมันออกเป็นแยกเป็นส่วนๆเลยนะความปวดก็อันหนึ่งลมหายใจคือกายก็อันหนึ่งจิต ท, ที่สงบนิ่งก็อันหนึ่งความสงบเกิดขึ้นหน้าที่โมดเนี่ยมันกัดเป็นสิบๆตัวเลยความปวดมีอยู่แต่ใจนี่สงบ เขาก็ดีใจมากก็ก็มาไล่ฟังอาตมาก็เลยมัเล่าเรื่องนี้ให้คนเดินธรรมญตราฟังอันเด็กคนนี้เขาก็มันเป็นไปได้หรือเขาอยากจะลองก็เลยถอดรองเท้าเดินบนทางที่มันเป็นหินเป็นกรวดทางลูกลังทีแรกก็เจ็บนะเดี๋ยวก็ไปนี่โอ้ยสะดุ้งเลยตกใจแล้วก็เจ็บก็ เ, เห็นอาการเลยนะเหยียบพอเหยียบปุ๊บเนี่ยสะดุง้งตกใจเจ็บ นี่เขาเข้ามาตั้งหลักใหม่ก็ดูมันอันนี้พอดูอีกทีนี่เขาบอกว่าอ้าปากค้างเลยเพราะมันเขาได้เห็นความอัศจรรย์ได้เห็นสิ่งที่รู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันมันมีอยู่กับตัวแต่ว่าไม่เคยสังเกตมองข้ามเขเห็นแล้วเห็นความกลัวตอนที่เหยียบแล้วก็เห็นความกลัวมันดับไปก็เห็นความสะดุง้งความตกใจปุ๊บแล้วมันก็หายไป ก็เห็นความเจ็บเกิดขึ้นแต่ว่ามันเจ็บแต่เท้าใจก็ไม่เจ็บด้วยโอ้เขาแปลกใจมากว่ามันเห็นเห็นภาวะอย่างนี้เนี่ยเขาถึงกับบอกว่าอาปากค้างเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นใจของตัวเองเป็นครั้งแรกที่เขาได้รู้อาการของใจใจมันอยู่กับตัวเขามาต้องนานตั้งแต่เกิดแต่เขาไม่เคยเห็นจริงจริงๆอยจังๆเลยมาเห็นตอนนี้แหละ คืออาการของใจเวลาที่เท้าเนี่ยสัมผัสกับกรวดสัมกัดกับหินเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาจะเป็นความสดดุ้งความตกใจแล้วก็เห็นมันสงบลงไปบอกว่าทีนี้เดินได้สบายเลยเดินได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่ความเจ็บนี่เกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะนะแต่ว่าใจนี่ไม่รู้สึกเจ็บด้วยเขาก็ดีใจมากแล้วแล้เขาก็เลยมาเล่าเพื่อนฟัง เ, เขาได้เข้าใจแล้วเนี่ย ให้การที่ดูใจดูจิตเป็นยังไงเราก็เห็นเลยว่ากายปวดใจไม่ปวดนี่มันทําได้จริงๆนะอันนี้ก็อย่างที่บอกตั้งแต่เมื่อวานนะว่าทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานนะสําเร็จได้ด้วยใจแม้ว่าจะเจอของแหลมมาทิ่มแทงนะแต่ว่าใจสงบเย็นได้แม้ว่าจะเจอภัสสะที่ เจ็บแสบเผ็ดร้อนนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจิตจะต้องเป็นทุกข์ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าจิตนี่มีเครื่องรักษานะคือสติเครื่องรักษามีอย่างอื่นอีกมากมายเช่นสมาธิหรือปัญญาแต่การเดินธรรมยถ า, าเนี่ยมันจะเน้นเรื่องการเจริญสติให้รู้ว่าเนี่ยถ้าเรามีสติรักษาใจและแม้เจอภาษาที่ เสียดแทงดีบคัน้นนะแต่ว่าใจก็จะยังเป็นปกติได้อันนี้แหละคือสิ่งที่คนเราควรจะมีโดยเพราะคาราวายิ่งต้องมีใจเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าชื่นคาราวามันก็ชื่นที่เดินนะอยู่ในที่โลง่งกว้างแดดร้อนฝนะนกระหนำ่ำถ้าไม่มีร่มนะแดดก็เผากาย ถ้าไม่มีร่มฝนก็ตกฝนก็ทำให้เปียกปอนแต่ถ้าเรามีร่มแล้วนี่แม้ว่าจะมันจะมีอะไรมากระทบนะแต่ว่าเราก็ไม่เปียกไม่ร้อนอันนี้หมายถึงใจใจที่สงบเย็นได้เป็นปกติหรือว่าเป็นสุขได้ได้วยซ้ำ ยิ่งต้องออกไ ป, ไปเผชิญกับสิ่งชีวิตที่เร่งรีบชีวิตที่บีบคั้นยิ่งต้องมีสิ่งนี้ถ้าไม่มีอันนี้แล้วเนี่ยนะมันก็มีเงินมีความสำเร็จก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าพอถึงเวลาเจ็บป่วยนะหรือเวลาเจอความขัดแยง้ง ในครอบครัวกับเพื่อนบ้านในที่ทำงานก็ร้อนรุ่มไปหมดถ้าคนเราเวลาทุกก็มักจะโทษภายนอกเป็นเพราะเขาพูดไม่ดีกับเราเป็นเพราะเขาแกล้งเราเป็นเพราะเเอาเปรียบเราแต่ไม่ค่อยมากลับมาดูใจว่านั่นเป็นเพราะใจของเราเนี่ยมันไม่มีเครื่องรักษามากกว่า คือพอใจของเราเนี่ยมันน่ไม่มีเครื่องป้องกันความทุกข์มันก็เลยสามารถจะทะลุดทุวงเข้ามาถึงจิตใจเราได้พูะพุทเจ้าตรัสว่าเนี่ยมือที่ไม่มีแผลจับยาพิษก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าามือมีแผลเมื่อไหร่พอไปถูกต้องยาพิษก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การถูกต้องหรือเกิดผัสะกับยาพิษนี่มันไม่เป็นอันตรายนะถ้าว่ามือไม่มีแผลอันนี้เป็นอุ ป, ปมาอมุปไม่ว่าถ้าใจเราเนี่ยมันไม่มีเครื่องป้องกันหรือใจเรามีแผลเนี่ยนะความทุกข์มันก็ซึมซ่านเข้ามาได้ง่ายมาก ผิวหนังเนี่ยมันเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้อันตรายต่างๆเนี่ยสามารถซึมเข้าไปสู่กระแสะเลือดได้ถ้าหนังเนี่ยมือเนี่ยเป็นแผลผิวหนังเนี่ยมันเท่ากับมันเปิดโล่งให้อันตรายเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นยาพิษไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคใจเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีสติคอยเคลือบคอยรักษาไว้มันก็อันตราย ความท์ต่างๆก็ซึมเข้ามามีคนนึงก็พูดให้ดีนะ ก, ก็เปรียบว่าสตินี่เหมือนกับเทฟลอนนะคือเทฟลอนนี่หมายถึงสิ่งที่เคลือบเคลือบกระทะกระทะที่มันเคลือบเทฟลอนนี่เข้าเหมาก็ไม่จับมันก็ยังใสยอยู่ได้ตลอดเวลาอจิตเราก็ต้องมีสติีเป็นเครื่องเคลือบเอาไว้ก็ทําให้ความทุกข์กิเลสเข้ามา จับต้องไม่ได้ก็เปลี่ยนเหมือนกับดอกบัวนะดอกบัวเนี่ยน้ำก็ไม่ติดเกิดมาจากน้ำเกิดใต้น้ำโตใต้น้ำจนกรทั้งในสุกโผพ้นน้าน้ ำ, นำถูกก็ไม่ติดอั้านเปลี่ยนเหมือนกับจิตของคนเรานะซึ่งเมื่อมีธรรมะเป็นเครื่องรักษาแล้วเนี่ยก็เป็นจิตที่ไร้ทุลีกิเลส โลกามิถุ ก, ก็ไม่ติดอันโลกธรรมชาติก็ไม่ติดโลกามิถุ ก, ก็ไม่เปื้อนเพราะว่ามันมีเครื่องเคลือบนะเป็นเครื่องเคลือบเคื่องปรงศาศจิตนี่คือนะสภาพเจิตหรือคุณภาพจิตของคนที่ได้รับการฝึกมาไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคารวะเราต้องมีสิ่งนี้ก็ทําให้เราสามารถจะอยู่ในโลกที่มันวุ่นวายรุ่มร้อนได้โดยที่ใจสงบ จิตเป็นสุขนี้เรียกว่าอยู่ในโลกแต่ตัวอยู่ในโลกแต่จิตยอยู่เหนือโลกคือสภาวะเป็นโล ก, กุตระเปรียบได้กับดอกบัวอยู่พ้นน้ำน้ำถูกก็ไม่เปื้อนไม่ไม่ติดให้เราเนี่ยรักษาใจของเราเนี่ยแบบนี้แล้วเราก็จะอยู่ในโลกที่มันผันผว น, ผ น, ผ น, ผ น, ผนไปนแปลได้ด้วยใจที่สงบเย็นได้เปรียบเหมือนกับลิ้น ง, งูนะมันอยู่ ในป่า ง, งูได้อย่างปลอดภัยป่า ง, งูเน่อยอันตรายนะเพราะมันมีเขี้ยวแต่ลิ้นของงูนี่มันปลอดภัยีนท่านเปรียบกับคนที่อยู่ในโลกโดยที่โลกธรรมฉาบไม่ติดความทุกข์ก็ไม่แปดเพลอนอ้าช้าวนีก็เพื่อ น, อ น, นทันดีนะครับค่ะ